ในระหว่างพระนครสาวัตถีและพระวิหารเชตวันครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตราวาสกคือนุ่งสบงทรงถือบาทและจีวเนี่ยเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กเหล่านั้นเอาท่อนไม้ตีงูในระหว่างพระนครสาวัตถีและพระวิหารเชตวันลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้ผู้นั้นย่อมไม่ได้ความสุขในโลกหน้านะก็คือตัวเองนี้ต้องการความสุขใช่ไหมแล้วไปเบียดเบียนผู้อื่นชาติหน้าจะประสบความสุขหรือเนี่ยนะส่วนผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้ ผู้นั้นย่อมได้ความสุขในโลกหน้าเพราะฉะนั้นผู้ใดต้องการความสุขแต่ไปทำให้ผู้อื่นทุกข์เขาไม่ประสบสุขแน่แต่ผู้ใดประถนาความสุขไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เขาก็จะประสบสุขเนี่ยนะนะซึ่งในอัธกถาอธิบายย่อในหน้า179ย่อหน้าว่าอหิงทันเดนะหะนันติความว่าพวกเด็กเนี่ยติดตามงูเหา่า ซึ่งได้รับความหิวกําลังเลื้อยออกจากโพรงไปหากินแล้วก็จะใช้ไม้ตีงูเห่านะถ้าบางคนเนี่ยที่จงเกลียดจงชังงูบอกเห็นด้วยเห็นด้วยฆ่าไปเลยอย่างเงี้ยเห็นงูเห่าปล่อยมันได้ยังไงอย่างเงี้ยบางทีพวกศึกษาธรรมะก็ยังเป็นเลยนะนนนะก็พวกศึกษาอยู่นะยังไม่บริบูรณ์บางทีเออฆ่ามาเลยฆ่ามาเลยอย่างเงี้ยค่อยคุยกันอีกทีอ่างเงี้ยเห็นแต่ขาบเป็นต้นนะี่ยฆ่าก่อนฆ่าก่อนแล้วค่อยคุยอกันงีนี่ก็เหมือนกันนะี่แหละ พันพวกเด็กนี่ก็พอเห็นงูเห่ากําลังออกไปหาอาหารก็เลยหาไม้เนี่ยเที่ยวตีงูก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีเห็นเด็กเหล่านั้นในระหว่างทางเอาไม้ตีงูก็ตรัสถามเด็กๆว่าเด็กๆทั้งหลายเพราะเหตุไรจึงเอาไม้ตีงูนี้เด็กก็กราบทูลว่ากลัวมันจะกัดพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าพอได้ยินก็เกิกเกดธรรมสังเวสสลดใจขึ้นทันทีว่า พวกเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคิดจะทําความสุขให้แก่ตนตัวเองนี่ต้องการความสุขใช่ไหมกลัวทุกข์มากจึงตีงูนี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขานี่จักสเสวยทุกในที่ที่ตนเกิดโอ้เนี่มันฉลาดฉลาดในการโกงฉลาดเพราะความงโง่ฉลาดด้วยความงโง่อะไรเนี่ยนะฉลาดแบบคนงโง่งโงเนี่ยนะเท่เางโง่แล้วฉลาดาวาพวกนี้สรุปว่าพวกเนี่ย จริงอยู่ฆ่างูได้แต่ตัวเองจะต้องถูกฆ่าอยู่ร่ำไปในอนาคตดีตรงไหนใช่หมฆ่างูชาตินี้ชาติเดียวแต่ชาติต่อต่อไปเนี่ยจะต้องถูกฆ่าอีกกี่ชาติอย่างในเรื่องอะไรนะอีกาตัวหนึ่งเนี่ยมันบินบินบินบิ น, บ น, บนไปสวมบ่วงนะค บ, บ่วงที่เป็นไฟนะลูกห่วงยางไฟอะลูกห่วงไฟเนี่ยบินไปสวมเพราะตายพอดีเลยเพราะก็บอกว่าในอดีตเนี่ยนะ การที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากเคยฆ่าโคเอาไว้พันผู้ที่ฆ่าสัตว์เอาไว้เนี่ยนะหนีไปที่ไหนจะพ้นจากความตายนั้นถ้าหากว่าเราบอกว่าเราต้องการความสุขลงทุนฆ่าสัตว์อื่นเลยคิดหรือว่าชาติต่อต่อไปพบต่อๆไปจะประสบความสุขตัวเองจะต้องถูกฆ่าอีกกี่ชาติเนอะไอการที่ถูกฆ่านี่มันเสด็จเสี่ยวแล้วเพราะตัวกรรมจริงๆเนี่ยพาให้หมกไหมยอยู่ในนรกพ้นมาจากนรกก็อยู่ที่ไหนก็ถูกฆ่า อย่างสมัยนี้เราก็ได้ยินว่าผู้ที่ถูกฆ่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมถูกฆ่าเพราะอะไรเพราะคนที่ถูกฆ่าเนี่ยรับเศษเศษกรรมของกรรมเก่าในอดีต ท, ที่เคยฆ่าเขาเอาไว้เท่านั้นเองนั้นผู้ใดฉลาดโกงอย่างที่ว่าเนี่ยนะฉลาดโกงเนี่ยคือฉลาดอะไรกลัวเขาฆ่าเราเราก็เลยฆ่าเขาก่อนสิเา้าเราเก่งใช่ไหมที่ไหนได้ก็คือสาบแช่งให้ตัวเองถูกฆ่าอยู่ร่าไปในอนาคตนั่นเอง พอพระองค์ทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะซึ่งรู้เนื้อความอย่างนี้แล้วเนี่ยนะที่เกิดสลดความสังเวชว่าพวกเด็กเหล่านี้ทําความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขของตนตนนี่แหละตัวเองจะไม่ได้รับความสุขในโลกหน้าเลยยังไงก็ชาติหน้าไม่ได้รับความสุขแน่เดือดร้อนแน่การที่ชนเหล่าอื่นผู้ปฏิบัติชั่วสแสวงหาความสุขย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ในอนาคตคนเลวทั้งหลายเนี่ยนะตัวเองต้องการความสุขใช่ไหม แต่ว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะพวกนี้สายตาสั้นนะสายตาสั้นก็เลยมองอะไรเห็นแค่เฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นส่วนผู้ปฏิบัติีนะซึ่งตรงกันข้ามกับคนชั่วเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อความสุขโดยส่วนเดียวเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่เบียดเบียนเรียกว่าตัวเองต้องการความสุขจึงไม่ยอมเบียดเบียน ผู้อื่นคนอื่นเพราะตัวเองเนี่ยรับความสุขเนี่ยนะทนพระองค์เนี่ยรู้ความเป็นไปเหล่านั้ น, นพระองค์ก็เปล่งอูฐานที่ประกาศโทษของการเบียดเบียนสัตว์อื่นและอนิสงค์ของการอนุเคราะห์สัตว์อืนอ่นนะโทษของการเบียดเบียนสัตว์อื่นกับอนิสงค์ของการอนุเคราะห์สัตว์อื่ น, น, นข้อความในคาถาที่บอกว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้ ผู้นั้นย่อมไม่ได้ความสุขในโลกหน้าอธิบายว่าสุขะการ ม, มานิได้แก่ผู้ติดอยู่ในความสุขก็คือปรารถนาะความสุขคือปรารถนาให้ตัวเองประสบแต่ความสุขไปเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยท่อนไม้ด้วยเครื่องประหารด้วยก้อนดินสาตราประหารด้วยมือเป็นต้นหรือด้วยการลงโทษทำสัตว์อื่นให้ลำบากหรือว่าไปทาอาทาทางกายทางวาจาและทางใจ อันนะอาจอาจยาทางวาจาเช่นด่ากระทบเขาเป็นต้นอาจยาทางร่างกายโบยตีสัตว์อื่นเป็นต้นอาจยาทางทรัพย์ด้วยการไปปรับทุกปรับอะไรนะปรับสินไหมแกสัตว์อื่นๆเนี่ยนะให้เขาเสียทรัพย์เป็นต้นบุคคล น, นั้นเมื่อสแสวงหาค้นคว้าปรารถนาความสุขเพื่อตนตัวตัวเองต้องการได้รับความสุขใช่ั้ยจึงทำทุกอย่างลงโทษผู้อื่นโดยประการทั้งปวงเพราะตัวเองอยากได้ความสุข แต่เคาละโลกนี้ไปแล้วจะไม่ได้ความสุขทั้งสามอย่างถ้าจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยอยากคิดนะว่าเขาจะได้ความสุขของมนุษย์เขาจะได้มนุษย์สมบัติได้ความสุขจากความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้แน่นอนเกิดในสวรรค์หมดสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมบรรลุพระนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ประสบความสุขของมนุษย์ความสุขอันเป็นทิพย์สุขในพระนิพพานในโลกหน้าโดยที่แท้ ย่อมได้รับแต่ความทุกข์ด้วยอาทยา น, นั้นเพราะตนเองทําเหตุเช่นใดไว้ก็จะรับวิบากที่สมควรแก่เหตุนเนี่ยนะก็ตามหลักกรรมอยู่แล้วใช่ไหมกรรมมาสะโกโมหิเป็นต้น น, นะผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเขานั่นแหละจะเป็นผู้รับ ตามสมควรแก่เหตุที่ได้ทําเอาไว้ในอนาคตต่อไปกรรมนี่ไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วให้ผลครั้งเดียวใช่ไหมไม่ให้ผลเป็นร้อยร้อยเท่านะพัถ้าทําบุญก็วิบากแห่งบุญก็ร้อยร้อยเท่าเหมือนกันถ้าทําบาปละ่ะผลแห่งบาปก็ให้ผลเป็นร้อยร้อยเท่าพันทวีคูณเพราันบุญก็น้าบาปก็น่ากลัวบุญก็น่าปรารถนาพั้นผู้ใดปรารถนาความสุขที่แท้จริงเนี่ย อย่าทำบาปจะด้วยเหตุผลใดก็อย่าทำบาปเพราะผู้ที่ทำบาปจริงอยู่ทำเพื่อจะได้ประสบสุขแต่นั่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนีนย่ยนะส่วนผู้ที่ทำตรงกันข้ามใช่ไหมสแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่ไม่ยอมเบียดเบียนผู้อื่นไม่ยอมเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้ผู้นั้นก็จะประสบความสุขในโลกหน้าเปตจะโซละพะเตสุขขัง ความว่าบุคคลใดเพียบพร้อมด้วยขันติอดทนนะมีเมตตาและความกรุณาเอื้อเอ็นดูคิดว่าเราปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดแม้สัตว์ทั้งปวงก็ฉันนั้นเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเราใช่ไหมเขาก็เราก็หิวเขาก็หิวเขารู้จักอิ่มเราอิ่มเขาก็อิ่มเราง่วงเขาก็ง่วงเป็นต้นนะในความ ในความที่สัตว์เป็นไปในวัตตะไม่มีความต่างกันเลยเนี่ยนะก็เลยมีเมตานะปรารถนาเช่นเราปรารถนาสุขเขาก็ปรารถนาสุขเราปรารถนาความพ้นทุกข์เขาก็ปรารถนาความพ้นทุกข์เป็นต้นเนี่ยก็มีเมตตาของเขาเห็นใจเขาก็เลยตั้งอยู่ในสัมปัตตะวิรัตเป็นต้นประสบอะไรก็ไม่ทำบาปไม่ยอมล่วงนะไม่ยอมจะให้บาปเนี่ยเข้ามาได้ ไม่ยอมไปไปทาบาปทําอกุศลก็เลยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้ลาบากนะน็อย่างที่เราทั้งหลายสมาทานศีลเป็นต้นเนี่ยก็คือการตั้งการสมาทานเพื่อไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ชีวิตสัตว์อื่นเป็นทานใช่ปานาทิปตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานนะเจตนาในการงดเว้นจากการฆ่านะว่า ชีวิตของสัตว์อื่นทั้งหมดก็จงเป็นชีวิตของเขาต่อไปเราจะไม่เข็นเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่เบียดเบียนเขาเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะให้อภัยทานเราจะให้ชีวิตเป็นทานานะก็เลยสมาทานที่จะงดเวน้นไม่ยอมไม่ยอมทำให้เขาลาบากเนี่ย น, น ะ, ะก็เลยเรียกว่าสมาทานละปานาติบาตเวน้นขาดจากปานาิบาตวางอาทยาวางศาสตราวางอาวุธ มีใจอนุเคราะห์มีใจเอือ้อเอ็นดูปรารถนาให้เขาเนี่ยประสบความสุขปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ก็เลยเรียกว่าสมาทานศีนถึงไปประสบเหตุการณ์ที่เรียกว่าคนทั่วไปบอกสมควรฆ่าก็ไม่ยอมฆ่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าฆ่าเนี่เดือดร้อนแน่ต่อไปตัวเองนั่นแหละจะถูกฆ่าในอนาคตจริงอยู่บุญเก่าเป็นปัจจัยให้มีอํานาจฆ่าเขาได้แต่แต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นบาปมัน บาปอันนี้ถ้ามันให้ผลต่อไปก็ถูกฆ่าอีกกี่พบกี่ชาติเนาะซึ่งเราทั้งหลายก็ได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมว่าผู้ที่บาปให้ผลเนี่ยนะหลบไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตามฆ่าจนได้พระองค์ก็บอกว่าถ้าบาปมันให้ผู้ที่ทําบาปไปแล้วเนี่ยให้นี้ไปอยู่ในโน่นแหละซอกเขาไปอยู่ทําไหนจึงจะพ้นไปอยู่ใต้ดินเลยทําบ้านใต้ดินหลบให้มันดะีๆหนาแข็งแรงอ่ะนะเขาจะได้ไม่ฆ่าเราได้พ้นไหมรอดไมหรว่า ไม่รอดเนี่ยนะค่าตัวทั้งหลายเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะจับได้ค่าได้เรียกว่าได้เป็นหมื่นล้านเลยสแสดงว่าถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยอยู่หนีไปอยู่ตรงไหนอะซอกเขาไหนเอาหรือหนีไปอยู่กลางทะเลลึกเลยเขาก็ไปเอามาต้มอีกจนได้นั่นแหละเนี่ยหนีไปอยู่ตรงไหนเขาก็เอามาเข็นมาฆ่าได้เพราะสัตว์ทั้งหลายเดรัชานะไปอยู่กลางทะเลลึกนะเขายังเอามาต้มเอามาฆ่าเอามาเนี่ยนะตัวฉลามเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเล็ ก, ลกๆนะเขายังเอามาทำเนี่ยใส่หม้อใส่กระทะได้อ่ะ นี้ไปอยู่ตรงไหนอะถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยนะโน่นแหละเพชรคาตบางทีบินมาจากที่ไกลในธรรมคานะล อ, อคิดดูในะอย่างตะวันออกกลางไง น, นะคนฆ่านี่โอ้ยสั่งมาจากที่ไกลามากเลยนะสั่งเพชรคาตมาไกลมากงั้นถ้าบาปให้ผลเนี่ยหลบไปเถอะหนีไปอยู่ตรงไหนนะ่ะนะไปอยู่ลุมไหนรูไหนพันพระองค์บอกว่าขอให้หนีเถอะหนีไปอยู่ท่ามกลาง ท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากความตายนีไปอยู่บนฟ้าก็ไม่พ้นจากความตายนีไปอยู่ที่ซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายสําหรับผู้ที่ทําบาปเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นบาปนี่นอะไรมันจะเผ็ดร้อนเท่ากับบาปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าเนี่ยเป็นเจตนาที่เลวร้ายมากเพราะฉะนั้นใครที่เว้นจากการฆ่าได้เนี่ยคือการสแสวงหาทรัพย์เนี่ยเป็นศีลพระคนที่เว้นจากการฆ่า ไม่เบียดเบียนตนในโลกนี้เพราะว่าไม่ต้องทำบาปที่ให้ผลในชาตินี้ใช่ขณะเดียวกันเนี่ยเจตนาก็เว้นจากความชั่วที่จะให้ผลในชาติหน้าในชาติที่สามเป็นต้นไปเพาฉะนั้นการสมท า, านศีลเนี่ยเท่ากับสมาทานอุปนิสัยว่าศีลอันเนี้ยจงเป็นปัจจัยให้อริยมรรคศีลเกิดขึ้นถ้าอริยมรรคศีลเกิดขึ้นด้วยโสดาปฏิมาก็กปฏิเสธการฆ่าโดยประการทั้งปวง ถ้าปฏิเสธการฆ่าโดยประการทั้งปวงก็ไม่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกอีกต่อไปแล้วก็จะพ้นจากการฆ่าโดยประการทั้งปวงนั้นผู้ใดที่ตั้งสมาทานเอาไว้ตามนัยยะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะบุคคลนั้นตายไปแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ในปารโลกเมื่อเป็นมนุษย์ก็จะได้รับความสุขของมนุษย์ความสุขของมนุษย์ก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์ตัวเองก็ไม่ป่วยไม่ไข้ใช่ไหม อโรคายาปรมาลาพาความไม no ่มีโรคก็ถือว่าเป็นลาบมากแล้วใครไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยสมมติถ้ามันมันป่วยหมดถ้าต้องซ่อมทีละอันทีละอันเนี่ยหมดตัวแน่มีทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมตาคู่หนึ่งถ้ารักษาแต่ตาอย่างเดียวเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นไม่หายสักทีนี่หมดเยอะนะหูอย่างเดียวก็หมดเยอะจมูกก็หมดเยอะฟันนี่ก็หมดไม่น้อยเนี่ยนะ สีษาก็ไม่ใช่หมดทรัพยบน้อยๆนะในร่างกายโครงสร้างลำคอไม่ว่าแขนไม่ว่าขาไม่ว่าอวัยวะแต่ละส่วนตับไตไส้ปอดแต่ตแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่มันมีค่าแพงมากเลยเพราะฉนั้นถ้าหากว่าป่วยหมดนะแล้วไปซื้อได้ทีละอันทีละอันบางคนนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อชีวิตได้วันละล้านเขาก็ยอมซื้อนั่นแหละถ้ามันซื้อกันได้จริงๆเพราะมันมีค่าอย่างประมาณไม่ได้แต่พวกที่ทําบาปเนี่ยตรงกันข้ามานะถึงจะหมดเท่าไหร่ก็ ก็ห้ามอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นผู้มีบุญบุญนี่แหละจะปกปักรักษาให้มนุษย์สมบัติเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะเกิดมาสุขภาพดีแล้วก็มีอายุมั่นอายุมั่นภาษาไทยเรียกขวัญยืนเนี่ยนะหมายความว่าอายุมันยืนยาวไม่ป่วยไม่ไข้และเหมือนกับป้าๆทั้งหลายมาฟังทำได้เนี่ยนะเพราะอายุขนาดนี้ยังแข็งแรงมานั่งฟังเทศฟังธรรมได้นี่ก็มีบุญมากแล้วนะ ผ, ผลของบุญเก่านะขณะเดียวกันก็ยังเอาบุญมาต่อบุญอีกนะ มาสมาทานศีลตั้งใจสมาทานเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะผลของบุญเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์ยุคต่อๆไปก็มีความสุขมีอายุยืนอันนี้เรียกว่าสมบัติความสุขของมนุษย์ขณะเดียวกันถ้าเป็นเทวดาก็ได้รับความสุขเนี่ยนะทิพยสุขถ้าหากว่าเป็นผู้สั่งสมบุญไว้เพียรพร้อมเต็มที่ก็จะประสบสุขทั้ง أ, ประสบสุขที่สูงสุดคือ สุกในพระนิพพานคิดว่าพระนิพพานสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยความสุขเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมว่าฆ่าสัตว์แล้วเป็นบารมีเคมีไหมไม่มีเพรานพระองค์ที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขทีละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็วันหรือแม้กระทั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ทุกวันทุกวันหลังจากตรัสรู้นั้นน่ะเป็นผลจากกะเว้นจากการฆ่าเจตนาสมาทานเพื่อเว้นจากการฆ่า เจตนาที่ไม่ฆ่าอันนั้นแหละเป็นปัจจัยให้พระองค์ประสบความสุขสัตว์อื่นๆที่ประสบความสุขเขาก็เว้นจากการฆ่าทั้งนั้นแหละส่วนผู้ที่ฆ่าเนี่ยนะสาบแช่งให้ตัวเองทุกต่อไปในอนาคตทุกทั้งโลกนี้ทุกทั้งหลายๆโลกเลยแหละนะเกิดมากี่ชาติก็ทุกอยู่ร่ําไปจนกว่าเศษกรรมเหล่านั้นจะหมดเนี่ยนะเมื่อไหรจะหมดเนอบางคนก็ถูกฆ่ามาแล้ว500ชาติเศษกรรมยังไม่หมดเลยอย่างนั้น เพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่เจตนาเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่จริงๆนะมีอะไรมั่งที่จะยิ่งใหญ่เท่ากําลังแห่งกรรมกรรมนี่มีกําลังยิ่งใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้จริงๆอ่ะ ถ, ถ้าเลือกได้จะพูดงี้เลยต้องเลือกเลยแหละว่าต้องเลือกที่อย่าทำที่ต้องเลือกที่จะไม่ทําชั่วต้องเลือกที่จะเจริญความดีเพราะอะไรถ้าใครทําชั่วถึงตัวเองรักสุขก็ไม่ประสบสุขหรอก ใครที่ทำดีถึงตัวเองเนี่ยนะต้องการความทุกอย่างไรเขาก็ประสบสุขเพราะกุศลเป็นเหตุแห่งความสุขอกุศลเป็นเหตุแห่งความทุกเนี่ยนะก็อยู่ที่ต้นเหตุมากกว่าอ่ะแล้วบางคนบอกว่าตอนนี้กำลังทำบุญอยู่ทำไมมันทุกข์หรือเกินยิ่งทำยิ่งทุกข์คุณเกินมาคุณทำแต่บุญเลยหรือใช่ไหมอ่ะแล้วบาปที่ทำไว้ไปเก็บไว้ไหนล่ะ เพิ่งมาทำบุญหน่อยเดียวร้องหาแต่ผลบุญเนี่ยนะไอบาปที่ทำไว้เต็มบ้านทัยไปหมดจะไม่ให้บาปให้ผลมั่งเลยเชีหรือ <c oughs> เนี่ยนะมันก็กลายเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมทาบุญบางคนเนี่ยนะให้ทานนิดเดียวเองนะโอ้โหขอแต่ร่าขอแต่รวยไอแต่ที่ไอเจตนาตณีเนี่ยมันตณีอยู่ทุกวันเนี่ยนะให้ทานไปนิดเดียวจะขอแต่ความมั่งมีบางทีมันก็ไม่เข้าใจเหตุเข้าใจผลอะไรเลยทำเหตุนิดเดียวร้องหาผลชนิดที่เรียกว่า <c oughs> ซึ่งไม่มีใครให้ได้เลยนะท่านที่สำคัญที่สุดการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะศึกษาให้เข้าใจเหตุผลให้เต็มที่ถ้าเราปรารถนาะผลที่ดีเนี่ยนะเราก็มาดูที่เหตุนะถ้าทำผิดเหตุอย่างไรผลก็เกิดไม่ได้ น, นะพระธรรมในช่วงเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน